นมโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะอัตมาภาพพระนิการคันธภัดหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพาการ วันนี้ถือว่าได้เป็นเกียรติได้รับความไว้วางใจจากคุณบาอาจารย์ต้องขอระบายความเคารพต่อหลวงพ่อปิชาและก็พระเทลานุเทระพระภิกษุสงฆ์ในวัดเขาอิติสุกโตเจริญพรมาอย่างรับ ย, ยมทุกท่านในวันนี้ คนเยอะมากแล้วก็เท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็จะหน้าใหม่ๆเยอะว่าหน้าเก่าๆ ก, ก็เหลืออยู่น้อยนิดไม่รู้ไปไหนกันหมดเพราะว่างั้นเนี่ยก็จะมาพูดสบายๆไม่ต้องซีเรียสกันให้มากนะ พ่อได้ส่งไปอยู่ที่พิจิตตนได้ไปเจอยอดโยมมังมายซึ่งเหมือนกับหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในตอนนี้ในถึงหลวงพ่อก็สั่งว่าให้พระบุญ ม, น, มนทำวัดที่สำคัญก็คือต้องเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่นเอง ศาสนากรรมฐานคนที่อิจิตในเราแวกนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะสวดมนต์จะมีการสวดมนต์ทำวัดเป็นแค่เฉพาะช่วงเข้าพรรษามันก็ว่าเราไปก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงปฏิรูปทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นไปในสูตรของอุบอาจารย์ของวัดเรา คือทุกวัดที่ไปก็ต้องสวดมนต์ทำวัดแล้วก็สอ น, นั่งกรรมฐ า, านมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะต้องทำยังไงให้คนใหม่ๆมาเกิดความเชื่อความศรัทธาในการปฏิบัติเป็นอย่างหลายๆท่านในที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องมีหลายท่านที่ไม่เข้าใจว่า าทำอะไรกันมาปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเชื่อได้เลยว่าต้องมีอย่างเช่นเด็กๆไปรุ่นทั้งหลายพ่อแม่ชวนมาหรือว่าเพื่อนๆชวนกันมานมาโดยที่ไม่เข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นทำไปเพื่ออะไรไอมมันต้องมีการมาสวดมนต์ทำวัด จะปฏิบัติธรรมกันแบบไหนเนที่หลวงพ่อได้เทศไปเมื่อเช้านี้บางคนมันก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรมันมาปฏิบัติมันต้องเข้าคอสสวดมนต์เดินจงกรมกันตั้งวทั้งวันหรือเปล่าจริงๆแล้วนั้นการปฏิบัตินั้นมันจริงๆมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นศรัทธาขนาดไหน ว่าจริงๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยในเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วใช่ไหมว่าเราเลือกนับถือศาสนาพุทธก็ต้องเชื่อฟังในพระาศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติให้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเหมือนดังเท่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระธรรมคําสั่งสอนลงมามากมายากา็ปฏิบัติจากการวิปัสสนากรรมฐาน นั่นเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นน้ำหนักให้เราเนี่ยควรจะต้องทำตามเราอาจจะยังไม่เข้าใจก่อนว่าทำไปแล้วมันได้อะไรจะมีคำถามเยอะแยะมากมายในชาวบ้านที่ลำชัล่าที่วิจิตรไม่เข้าใจเรามีการบังคับว่าต่อไปนี้ต้องมีการสวนมทำวัดมีการสอนกรรมฐานใครอยากมาก็ามาปฏิบัติกัน ผ่านมาเนี่ยสองสมปีโดยที่ไม่มีการบังคับมีคนมาร่วมทำวัดสวดมนต์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง15ห้าคนด้วยซ้ำเหลี่ยอยู่ที่ห1 0ิบคนเราก็ใช้วิธีการเหมือนทำการวิจัยวิจัยว่าเอาคนเหล่านี้ลองมาทำดูสักปีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง ผลที่ได้จากการวิจัยก็คือว่าบางคนที่มีสภาวะอารมณ์ร้อนมีสภาวะหดหงิดง่ายโมโหง่ายเนี่ยพวกนี้เรามองเห็นได้เลยว่ามีความเปลี่ยนไปโดยที่บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนกับพระคุณท่านทั้งหลายที่เอามาบวชอยู่ในวัดเราเนี่ยพรรษาหนึ่งบางคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าพระบังคับให้เราส่วนมนต์นําวัดมันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเนี่ยถ้าเราทำโดยที่เป็นกิจวัตรทุกวันเนี่ยลมเราจะเย็นลงเพราะว่าการปฏิบัตินั้นเพื่อฝึกสติสมาธิและปัญญาอย่างที่ได้บอกไปแต่ว่าเวลาเราไปสอนคนที่นู่นเนี่ยมันก็ต้องคิดหาวิธีที่เข้าใจให้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นว่ามีพวกเด็ก รุ่นทั้งหลายหรือคนแก่ก็ตามเนี่ยมาคุยกับเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันนั่งไปเพื่ออะไรมันเป็นยังไงเราฉะนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปสองปีเนี่ยเราก็ไปเทศชวนคนมานบ่นมนมาปฏิบัติแล้วก็ใช้อุบายบอกว่าเนี่ยลองดูคนที่เขามาทั้งหลายนยที่เขามาทำกันเป็นกิจวัตรเนี่ยดูชีวิตเขาดีขึ้นเขามีเงินมากขึ้น ลมเขาเย็นลงหรือทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมันต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยอย่าเพ่งไปเชื่อไม่ว่าใครจะว่าอะไรเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนถึงจะเชื่อแต่ถ้าจใจเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เปรียบอุปมาอุปไมตรการฝึกที่เรามาฝึกกันเนี่ยเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกสติ สิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมคือมองไม่เห็นเด่นชัดแต่ถ้าจะเปเรียบเทียบให้เห็นเด่นชัดเนี่ยอุปมาโอบปหมาเหมือนคนที่ลดความอ้วนเนี่ยอย่างมีญาติโยมที่เข้ามาเนี่ยลองเขาเห็นว่าบางคนเนี่ยมาแล้วเออทําไมมันถึงดีทําไมพูดถึงเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเขาในสิ่งที่ดีขึ้นพูดเชิญชวนไปก็มีคนเข้ามา ปฏิบัติอกเข้ามาปุ๊บสังเกตดูสามวันคนห้าวันเจ็ดวันสองอาทิตย์แล้วก็หายไปเพราะมันก็บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเอ้ามากม็เห็นจะมีอะไรดีเนี่ว่ามันก็ออกไปเขาคือยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นนามรธรรมเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นก็คือสภาวะของจิต ต้องสอนเขาไปบอกว่าเหมือนคนที่ลดความอ้วนเราไปเข้าคอร์สลดความอ้วนเนี่ยกินยาลดอดอาหารสามวันเจ็ดวันเนี่ยมันจะหายมันจะผอมลงได้ยังไงคนที่เขาทำแล้วเห็นผลลดความอ้วนก็คือบังคับบังคับปากตัวเองไม่กินแล้วก็มีการออกกำลังต่างๆมาทรมานตัวเองโดยการออกกำลัง เดือนเห็นผลแล้วเพราะว่าสภาวะของร่างกายที่มันเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันลดลงร่างกายมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเหมือนเราอดอาหารเนี่ยเวลาอดอาหารเนี่ยร่างกายเราอะ่ะมันก็จะใช้ไขมันไขมันที่อยู่ในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไป เป็นกูโค้ดน้ำตาลต่างๆเนี่ยมันก็จะโดดซึมมาใช้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะลดน้ำหนักลงไอ้ไข่มงไขมันต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงเราจะเห็นลงได้ชัดว่ามันผอมลงภาวะจิตก็เช่นเดียวกันถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยเนี่ยแล้วก็ไปเห็นคนอื่นว่าเุ้ยคนนู้นเขาตั้งดีนะเขาโอ้มีสมาธิดี ทำไมเราลองมาทำแล้วไม่เห็นจะดีแบบเขาเพราะเขาทำมาเยอะแล้วเหมนคนที่มันลดความอ้วนมานานแล้วมันก็สวยขึ้นหล่อขึ้นแต่พอเรามาทำตามเนี่ยอย่างเราเข้าคอร์สมาบางคนเนี่ยมาคืนเดียวคนมาสามคืนแล้วก็บอกว่าแปลงไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยมาปฏิบัติธรรมมากินแล้วก็มานอนแล้วก็มาสวดมนต์ทำวัดนิดหน่อยเห็นจะได้บุญได้อะไรมันอยู่ตรงไหนบุญมันอยู่ตรงไหน คนก็จะคิดกันไปต่างๆนะ้นามันลองทำสักสามเดือนดนะูก็คือเหมือนไอ้พวกที่มันลดความอ้วนเนี่ยบลลังตัวเองสวดมนต์ปฏิบัติฝึกจิตเนี่ยภาวะร่างกายกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงค่อยๆไขมันค่อยๆถูกดูดซับออกมาเนี่ย่ค่อยหายไปเนี่ยใช้เวลานา น, านเผลอๆเนี่ยสภาวะจิตยิ่งใช้เวลานา น, านมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับ ใจหลายๆอย่างของแต่ละคนบางคนเคยฝึกมาเยอ ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพ่อได้บอกว่ามันจะมีเรื่องของสัญญาความรู้ได้ไหมายจําต่างๆมิตชาติเราเคยอาจจะเคยฝึกมาเยอะพอเรามาทําเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมที่เขาออกทีวีไอ้พวกเด็กที่มานั่งสมาธิแล้วเป็นสมาธิไปเลยอะไรเงี้ยคือเขาเคยทํามาก่อนมันมีตัวสัญญากรรมตรงนี้ แต่ถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยเราก็ต้องฟันฝ่าเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเหมือนไอ้คนที่มันตั้งใจโดยที่มันจะลดความอ้วนให้ได้มันก็ต้องมีความตั้งใจความเพียรความมานะอุตสาหะต่างๆแลนาเหมือนกันเราอยากฝึกจิตให้มันเหมือนที่เขาพูดว่าโอ้ oh, มีสติมีสมาธิและมีปัญญาขึ้นมาได้เราก็ควรจะต้องใช้ความเพียรเหมือนกัน ความมุกมานะอย่างมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยว่าเราแต่สมาธิหรือยังเรามีสติหรือยังเรามีปัญญาหรือยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีอะไรมาบ่งชี้วัดให้มันเห็นเป็นผู้ประธรรมได้แต่อยู่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องทำเองทำเองแล้วเราก็รู้ได้ด้วยตัวเอง คือปัจจัดต่างนั่นเองเราทำแล้วเรารู้ว่าออเรามีสติแล้วนะเราเป็นสมาธิแล้วนี่อปัญญาเราเกิดแล้วใช่ไหมเงี้ ย, ยมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ถูกนันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งข้าวๆในที่มันนั่งแล้วมันร้อนมันไม่ไหวก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้นั่งท่าใดก็ได้ ทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจเราไม่จำเป็นต้องมาแบบฟิตนั่งขัดสมาธิเพลอป่าทับซ้ายซ้ายทับขวาเพื่อความขลังหรือว่าใครไม่เคยชินก็นั่งขวาทับซ้ายวิงทีถ้าเราไม่ไหวเนี่ยนั่งยืดขาก็ได้หรือนั่งแบบไม่ต้องทับกันเลยก็ได้ขาเอาให้มันวางหน้ากับพื้นก็ได้ปึกให้มันเกิดกำลังใจซะก่อนว่าเออมัน ทำให้เรารู้สึกนั่งได้แล้วเนาะอนนี้ก็คือในเรื่องหนึ่งเป็นคร่าวๆป็นเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือการฝึกที่เรามากันเนี่ยฝึกเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาธรมะอย่างที่หลายๆท่านได้บอกไปมันก็คือธรรมชาติถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยเราเข้ามาปฏิบัติ เ, เราก็มานั่งดูว่า การที่เราเข้ามาเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดธรรมะอะไรเราก็สามารถดูได้ทุกอย่างให้มันเป็นธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างมันไม่มีสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติมันจะมีเหตุมีผลทุกอย่างเนี่ยเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าเออการเข้าป่าครั้งนี้เนี่ยเราได้ธรรมะอะไรไปบ้างอ่าอย่างธรรมะอันที่เราได้เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือ คนเรามาแจกทานมาทำทานแจกมาทำอาหารแจกแต่เราไม่รู้ว่าคนมันจะเยอะจะน้อยขนาดไหนทามาในระดับหนึ่งในปริมาณเท่าหนึ่งดูสิ่งที่เราเห็นได้เนี่ยปกติเราไม่เคยมานั่งพิจารณาพอเรามานั่งแจกทานมานั่งพิจารณาดูเออมันเป็นเรื่องจริงจริง พระเจ้าบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมันก็เป็นธรรมชาติของมันนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นตั้งแต่สังเกตดูทุกคนต้องเอาตัวรอดทุกคนต้องรักตัวเองนี้เราก็เห็นอย่างเช่นว่าคนมากันหลายหลายคนลงจากรถมาปุ๊บ ก็ต้องหาที่กลางเต็นท์นอนไม่เห็นจะมีใครสักคนที่แบบว่าของกูเอาไว้ก่อนเอาไปกางเต็นท์หาที่ให้คนอื่นทุกคนล้วนแต่พุ่งเข้าไปแล้วก็มองหาตรงไหนกูจะนอนดีที่สุดนนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้ว่าเออใช่มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆ น, นี้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่ากันมันเป็นปกติเป็นธรรมชาติของคนอย่างแจกทานเหมือนกัน ทานแจกเนี่ยธรรมาชาติของสังคมว่าต้องมีเส้นมีสายใช่ไหมเราทำเนี่ยว่นเราทำมาทำมาน้อยแต่ว่าจะให้คนได้กินถึงเวลามาแล้วพวกเส้นสายมันดึงไปมาเย็บไปไปฝากคนนู้นคนนี้เราก็มานั่งพิจารณาว่าทำไมยังไง เราอยู่ไปอยู่มานานๆเนี่ยมันก็รู้จักกันหมดทั้งวัดเนี่ยแหละทั้งพระทั้งชีทั้งโยมมันก็เส้นทั้งหมดเพราะว่าก็มันรู้จักกูหมดใช่ไหมมันก็เส้นทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเราทํำยังไงอะ่ะเรามานั่งเครียดตายแล้วมู้จะแจกคนนี้ไม่แจกคนนี้แจกมันไปให้หมดเนี่ยแหละไม่พอก็ใช้หลักธรรมข้อไหนดีของพ ร, เระเจ้าเอามาใช้ได้ทุกหลักธรรมอริย ส, สัจสี ยศสี่ทุกสมุทัยนี้ลดมักมองเหตุแห่งทุกทํำยังไงว่ามันแย่งกันกินเออมันไม่พอกินเอตุมันคือมันทําน้อยเพะนั้นเราก็ทําเพิ่มอมืเพิ่มให้มันพอนก็ไม่ต้องใครจะเอาก็เอาไปอะไรเงี้ยเราก็มานั่งมองจริงๆมันบางทีเราคิดแล้วก็เครียดนะบางทีทําแล้วแบบทาร์แล้วบางคนได้บางคนไม่ได้ย่เี แจกมันก็มีความเครียดเหมือนกันว่าเฮ้ยคนนู้นมันไม่ได้คนนี้มันได้แก้ไขยังไงหาเหตุแห่งทุกนั้นเหตุแห่งทุกคือ ด, ดีมานซับายไม่เท่ากันดีมานเยอะกว่าซับายก็คือเราผลิตออกมาน้อยกว่าความต้องการของค น, นยังไงผลิตเพิ่มแตกใหม่อีกวันหนึ่งคราวนี้ทํามันเยอะๆดูถ้ามันไม่พอเดี๋ยวคราวหน้าก็แจกเพิ่มไปเรื่อยพอทาอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ ก็แฮปปี้นี่ก็เป็นคร่าวๆคือการใช้พิจารณาวิปัสสนานั่นเอง อ, อย่างชิเวนามันเฉลือน้อยเดี๋ยวจะเปลือยยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเราก็ปฏิบัติของเราไปมีญาติโยมลูกศิษย์โทรมาไลน์มาเครียดบอกว่าเลิกกับแฟนเป็นผู้หญิงหน้าตาดีโทรมา หมูเลิกกับแฟนแล้วทํำยังไงอา้าวแล้วเราจะทํำยังไงมึงเจ้าวาดนี่คือหลวพ่อพูดไว้ไม่มีผิดเจ้าวาดนี่เหมือนซุวมนะรับทุกอย่างเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องไม่ว่าจะปัญหาอะไรเจ้าวาดรับหมด mm hmm. เวลามีลูกศิษย์ก็หาทางออกไม่เจอแห่งโทรหาเจ้าวาดโทรหาพระอะ่แต่เวลามึงมีความสุขมึงหายไปเลย ลาเมึงเลิกการมึงค่อยติดต่อกอูมาเนีย่ยแต่เราก็เข้าใจในในสัจธรรมความเป็นจริงเราก็ต้องสอนธรรมะมันก็ใช้เหตุใช้ผลเนี่ยแหละเหตุผลก็คือมันนั่งวิปัสสนาอะไรไออริยสัจสี่เหมือนเดิมทำไมมึงถึงเลิกหน้าตาก็ดีทำไมมันถึงเลิ ก, าากมมเกออเรามานั่งพิจารณาสิ่งที่จะตอบมันไปนก็คือว่าเราพิจารณาแล้ว ผู้ชายเราเป็นผู้ชายอยู่ในแวดวงสังคมมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกันนั่นแหละผู้ชายในโลกนี้มีเพียงสองชนิดมีเลวกับโคตรเลวผู้ชายที่ดีในอุดมคติมึงก็ในละครเท่านั้นอ่ามึงไม่ก็พระอริยสงฆ์อริยเจ้านี่คือเรื่องจริงต้องรับให้ได้อ่ามาบ่นกันมากมายว่า มีแฟนแล้วแฟนก็ทิ้งมีแฟนแล้วแฟนก็เลิกแล้วก็กูเป็นผู้ชายกูก็รู้ดีเพราะว่าเวลาเขาคุยกันเขาไม่มาคุยให้มึงพวกผู้หญิงฟังอยู่แล้วผู้ชายมันก็คุยกันเองแต่เรารู้ในหลักความเป็นจริงไงว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละต่อให้แต่งงานกันไปมันไม่มีคนไหนนะที่ อูันไปมีลูกมีหลานแล้วอยู่มีผู้หญิงสวยวัยรุ่นมาแล้วผู้ชายจะไม่มองมันก็มองอยู่ดีนั่นแหละอย่างแต่ทุกวันนี้เราหลอกตัวเองกันอยู่เฉยๆแล้วเราก็ทําการวิจัยอีกไปถามพวกเพื่อนรุ่นพี่รุ่นแม่รุ่นป้าทั้งหลายเนี่ยที่เขามีลูกกันแล้วก็เหมือนกันหมดเองแต่เขาไม่มาเปิดเผยให้เราฟังเฉยๆ มึคนมีหน้ามีตาในสังคมมึงไม่มาเปิดเผยปัญหาครอบครัวให้ใครฟังแต่ถ้าพิจารณาจริ ง, าารงมันคือเรื่องจริงอ่ะก็เราเป็นผู้ชายผู้หญิงมันก็งง ง, งงกันไปไม่รู้หรอกแต่ผู้ชายมันจะมีเลวมากเลวน้อยเลวมากก็เขาเรียกขั้นเทพหรือโกหกจับไม่ได้ไม่รู้เลวน้อยหน่อยก็ไม่ค่อยมีมีจับได้กูว่าเลิกไปพักหนึ่ง ถึงเวลามีคนใหม่มาก็มองอยู่ดียังไงก็ต้องมีมองมีคิดจริงๆอันนี้เรื่องจริงเพระฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสอนวันหนูว่าเออมึงก็ไปพิจารณาดูนะมันคือเรื่องปกติของโลกใบนี้แหละอแต่พวกมึงหลอกตัวเองกันอยู่คิดว่าจะเจออะไรนะเทพบระวุิแบบในละครในโทรทัศน์ที่เราดูมันดูถึงแค่ตอนที่มันจบบริบูรนณนี่ย มไม่ดูเวอร์ชั่นหลังจากนั้นไงว่าอยู่กันไปอีกสิบปีงละครมันไม่ยอมสร้างให้เราเห็นไงแต่ชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นไงดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาหาเหตุหาผลของมันน่ะเราก็จะรู้เลยว่าฮอทําไม่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราควรคลองเพศสมณะอยู่คนเดียวจะได้ไม่มีปัญหาแต่ทุกคนก็จะแบบว่าไม่ได้เร อ, อยู่คนเดียวไม่ได้เราต้อง แตงานมีลูกโดยที่ก็ไม่ได้คิดอีกว่าโลกสวยไงลูกกูต้องดีเลี้ยงกูได้แต่ถึงเวลามีจริงมึงต้องมาเครียดต่อว่าลูกเกเรมึงจะเลี้ยงกูหรือกูต้องเลี้ยงมันมึงจะมากระซวบเงินจากกูไปหมดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันก็โลกสวยกันไปเงั้นเนี่ยเราเอาตามละเราพิจารณากันจริงๆริอะอย่างไม่ต้องไปซีเรียสปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติ ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็มาใช้ปัญญาเราเนี่ยแหละวิปัสนาหาเหตุหาผลของมันว่าอ๋อเหตุมันเป็นอย่างนี้แก่อย่างนี้ทำยังไงเนี่ยคือสิ่งที่จะได้จากการปฏิบัติสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ผลสรุปแล้วถามมันแล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อ บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนดีกว่าเนี้ยมาหามันเราก็ตอบมันว่าเดี๋ยวมึงก็เข้าหลูกเดิมวัดตะเดิมวัดตะจากเดิมวนแม่งอยู่อย่างนี้แหละเออถ้ามึงโชคดีหน่อยมันก็อาจจะจำไม่ได้นะก็อยู่คลองโซ่เอ้คองคู่กันไปมีลูกมีหลานก็วนเวียนกันต่อไปเวลามีหลานหลานมาปรึกษาก็เรื่องเดิมๆทั้งนั้นก็มันวัดตะมันเป็นความจริงไงเป็นเรื่องจริงของชีวิตไง เพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมีปัญหาเกิดค่อยมาคิดคิดไม่ออกไปถามพระถามเจ้าอาวาสเหมือนเดิมพระที่เขาสามารถคิดได้มีปัญญาเขาก็อาจจะคิดอะไรช่วยเราได้แต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเราต้องยอมรับในความจริงคนส่วนใหญ่ไม่รับในความจริงมันนั่งไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้เรามันนั่งแล้วเราก็ไม่ยอมรับในความจริง วุเรานั่งแล้วมันไม่ได้เราไม่ยอมรับในความจริงว่าเรานั่งไม่ได้ปรัสนาไม่ได้แต่เราบอกว่าเราได้เรานั่งนิ่งเป็นสมาธิอันนี้ก็พวกไม่ยอมรับความจริงอีกก็ไม่เป็นไรมันก็มีทั่วไปปะปบบนกันไปในโลกใบนี้นะอ่าเยเดี๋ยวพอดี เมื่อกี้เทศไปเทศมาเดี๋ยวจะติดกรรมพูดถึงเรื่องเส้นที่ว่าคนมีเส้นที่เขาไม่หยิบอ า, อาหารไปเนี่ยเราก็มานั่งพิจารณาว่าเออกูไม่เคยมานั่งคิดเลยทาไมมันมีเรื่องแบบนี้พอมานั่งคิดเนี่ย อ, อ๋อที่แท้มันคือบารามีคนที่เขาสามารถมาอย่างเราแจกทานเนี่ยมีคนมาขอไปเนี่ยคนรู้จักมาขอขอขอช่วงเนี้ยคือการเขาสร้างบารามีไว้ามานั่งพิจารณาแล้ว บรารมีคืออะไรสังเกตเลยคนทํางานคนแจกอยู่ข้างๆแม่ครัวแม่ชีที่เขาทํางานกันหนักๆทํากันอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เลยรู้จักไงพวกนี้เขาก็ทําสร้างฐานสร้างบรารมีของเขาไว้เขามาขอเราก็ให้แต่ถ้าเกิดบางคนมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเราก็จะมานั่งคิดแม่งไอ้พวกนี้ทําไมมันมีเส้นกันวะ มันมาแล้วมันก็หยิบกันไปได้วะทําไมกูหยิบไม่ได้เพราเราไม่มีบารมีแบบเขาเพราะเราเพิ่งมาใหม่อสมมุติไอ้คนที่มันมาหยิบเนี่ยมันเป็นคนมาใหม่อ่ะมันจะกล้ามาหยิบไหมมันก็ไม่กล้าไอ้คนให้กูก็ไม่รู้จักมึงก็ไปรอเอาตามคิวดีมึงไม่ได้มีสร้างอะไรไว้ในหัวแต่ถ้าคนที่มันมีเนเขาเาเรียกว่าคนที่มีบุญมีบารมีไงหรือแม้แต่มีวาสนาก็ตาม ยังมีบาร ม, มีคือเราทำไงทําบุญสร้างทานสร้างบาร ม, มีรู้จักคนเยอ ะ, อะเพราะเราทําไว้เยอะเราสร้างไว้เยอะเราช่วยทําบุญอะไรกับวัดนี้ไว้เยอะเดินไปทางไหนเนี่ยคนก็ต้อนรับคนก็หยิบยื่นมาให้โดยที่ไม่ต้องขออันนี้ยคือเป็นบาร ม, มีแต่บางคนวาสนาไงบางคนเป็นพ่อแม่พี่น้องพระพ่อแม่พี่น้องชีอันนี้พวกนี้พวกวาสนา แข่งกันไม่ได้นเนอะพอเขามาเสร็จอ่ะกูเอาให้ก็พี่กู่น้องกูอันนี้ก็ว่ากันไปมันก็เป็นเรื่องจริงอีกนะถ้าเรามาพิจารณามันคือเรื่องจริง เ, เขามีเขาสร้างไว้ไงบรารมีเขาทาไว้บุญเขาทําไว้เเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดิด่าคิดว่าใครหร อ, อเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าอ๋อกูเพิ่งเคยมาครั้งแรก แจกทงแจกทานกูไม่เคยมาทำกับเขาบุญกูก็ไม่ค่อยทำจะไปหวังอะไรแบบเขาอะ่ะเขาทำมาก็เหมือนชีวิตจริงชีวิตมนุษย์เนี่ยเกิดมาตามบุญตามอะไรที่เขาทำทำกันมาที่เขาบอกให้กอบโกยทำบุญสร้างทานสร้างบา ร, รมีไว้เกิดมาในภายภาคหน้าจะได้เกิดมาในภพภูมิที่ดีก็เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบอุปมาอุปไ ม, ปมได้หมดทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเองแต่เราบางทีเรา ไม่ปัสนาไงคิดไม่ถึงพราคิดไม่ถึงก็ก็คิดของเราไปเองไงแล้วก็ไปเที่ยวว่าคนนู้คนนี้ได้ไดฉะนั้นเนี่ยก็จะฝากไว้ในวันนี้เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเบือ่อก็ท้ายนี้อันมมาขออ้างอิงเอาคุณพญาศีรัตน์ไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกลงมาดลบันดาลอุเบพรให้รับโยม ท่านที่ได้มาประพฤติปฏิบัติด้วยใจอันเป็นบุญเป็นกุศลในครั้งนี้ขอให้ได้บุญและได้อนิสง์ในเร็ววันนี้ด้วยเถอดเอวังก็มีด้วยประการฉนี้